นะโมตัสสะพุทธวโตถุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธวัตถุระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุวโตอระหตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิกาวตสังคาราหูปาทวยธรมิโน ผูปฏิทตวานิรษชันติตีสังหุปสมูสุโคติณโอกาสบัดนีอ้อาจตรรมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพลนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพระไรลัก์ให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจคข่ต่อธรรมปฏิบัติได้สดับรับฟังเพื่อประดับสติปัญญาบารมีสืบต่อไป ภัานสาทุชนผู้ใจบุญทั้งหลายศาสนาคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แกงแสดงไขโปรดเวนยสัตว์ไว้เป็นเวลานา น, านถึง 45, สี่สิบห้าพรรษาในหนังสือซึ่งคณะสงฆ์ได้รวบรวมไว้ เป็นหนังสือเรียกว่าพระไตรปิฎกถึง45เล่มถ้าจะคํานวณแล้วก็ดูเหมือนจะว่าปีละเล่มละเล่มหรือพรรษาละเล่มแต่เราเรียกว่าพระไตรปิฎกมีหนังสือ45เล่มแบ่งเป็นหมวดหมวดได้สามหมวดหมวดพระวินยัยหมวดพระสูตรหมวดพระอภิธรรมวินัยมีแปดเล่ม ตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดมีเนื้อหาสาระเราเรียกว่าพระธรรมขันธ์สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์เมื่อจะย่อให้สั้นก็ได้เกศีนพระสูตรมีหนังสือยี่สิบห้าเล่มเมื่อจะว่าถึงเนื้อหาสาระก็มีอยู่สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นได้เก่สมาธิพระอภิธรรม มีหนังสือ12เล่มว่าถึงเนื้อหาสาระมีถึง 42,000 พัทธมขันย่อให้สั้นได้แก่ปัญญารวมพัรธมขันได้ 84,000 พัทธมขันเป็นหนังสือ45เล่มย่อให้สั้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทำไมคำสอนจึงเหลือเพียงเท่านี้ เวลาเทศเทศมากม า, กายกลกองถึงสี่สิบห้าปีที่เหลือเท่านี้ก็เพราะว่ากิเลสของสรรพสัตว์ในโลกนี้มีอยู่สามประเภทคือกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดกิเลสหยาบล่วงออกมาทางกายกับปากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดเทศพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพอร์เจอร์อันนี้เรียกว่ากิเลสหยา แล้วล่วงมาทางกายกับวาจาหรือกับทางปากปราบด้วยวินัยคือศีลพระองค์จึงเทศพระวินัยไว้ถ้าทุกคนมีวินัยแล้วโลกมนุษย์ก็จะมีความสุขการรบราฆ่าฟันกันไม่มีเพราะมีวินัยวินัยในรักษากายกับวาจาของแต่ละบุคคลให้เรียบร้อยเรียบจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต ไอ้ที่คนทุกข์ความเดือดร้อนก็เพราะว่าพวกไม่มีวินยัยไปข่อพคกวนกันเข้าหิมสารพัดที่จะทำที่จะขอที่จะควนกันเพราะขาดวินยัยนะเพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์จึงไม่มีความอยู่เย็นเป็นสุขเท่าที่ควรถ้าว่าทุกคนมีวินัยแล้วสังคมของมนุษย์เหล่านี้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันเลื่อยไป เคยเหลือเกลค่รกันตามสมควรแจตฐานะพี่ขาดน่องเกือือพี่เพื่อน้่องเขินที่โบราณตันว่าเอ็นดูกันและกันสงสารกันและกันเพราะอำนาจวินัยคือศีลแต่ถ้าคนขาดวินัยแล้วสังคมต่างๆก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนพระสูตรคือสมาธินั้นสำหรับปราบกิเลสอย่างกลางเรียกว่า น, นิวรห้า ถ้ามีวินัยแล้วแต่กิเลสกลางมันยังมีอยู่ความชั่วมันก็รั่วออกมาทางใจได้เช่นอย่างพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผดพะพะพยาบาทใจโกรธใจขุนถีนมิทะง่วงเหงาหานอนเสื่องซึมอุททัจจะกุกุจจะกุ้งซ่งานรำคาญหมดหยิดใจวิจิจิตราสงสัยหวาปุน่นมีไม่มีสวรรค์นรกมีหรือไม่มี อันนี้เป็นนิวรนเป็นบาปแต่ศีลไม่ขาดแต่บาปเกิดได้แล้วอันนี้เป็นกิเลสอย่างกลางเรียกว่านิวนรนแปลว่าธรรมะหรือกิเลสที่กั้นจิตใจของคนไม่ให้บรรลุความดีมีอยู่ห้าตัวพระพุทธเจ้าเทศพระสูตรเทศสมาธิไว้ก็เพื่อปราบนิวรนห้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะปราบได้จนกระทั่งได้ฌาญ ห่อเหินเดินอากาศได้กิเลสละเอียดก็ยังอยู่ความทุกข์มันก็จะต้องเกิดขึ้นได้อีกยังไม่หายไปจากโลกเพราะกิเลสยังมีอยู่มีสมาธิก็เหมือนเอาหินทับหญ้าไว้เอาหินออกหญ้าก็ ง, งามขึ้นดิกิเลสคนก็เหมือนกันขนาดที่อยู่กับสมาธิใจก็สบายแต่พอหลุดจากสมาธิกิเลสมันก็เกิดได้เอายกตัวอย่างหาลิตตันดาบทเหาะไปทางอากาศ ไปเห็นวิสภาคาลมเข้านี่เหาะได้ก็บพระลิ้นสมาธิฌานก็เสื่อมตกลงมาอันนี้ได้สมาธิสูงอยู่ขนาดเหาะได้เหาะไปวินทบาททุกวันสมาเนนน้อยลูกศิษย์พระสารีบุตรก็เหาะได้แต่ไปได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเกิดปฏิพัฒน์ในเสียงก็ตกลงมาได้ต้องศึกไปแต่งงานกันพัฒวัฒน์เหาะได้ อยู่ในสำนักพระพุทธเจ้าแท้ๆเล่นสมาธิได้ชานได้อภิญญาผลที่สุดก็คิดฆ่าพระพุทธเจ้ายุภพทรเจ้าอาชาติศัตรูให้ข้าพ่อก็ถูกกันดินสูบได้เนี่ยอนาตสมาธิมันก็รักษาได้แค่นี้ถ้าหากว่าไม่ต่อวิปัสสนาจะดีไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่ถ้าพอใจแค่นั้นก็ไม่ดีส่วนพระอภิธรรมนั้น ว่าถึงเรื่องปัญญากิเลสละเอียดคืออนุสัยนอนรองอยู่ในใจของตระบุคลว่าโดยชาติจริงๆแล้วกิเลสละเอียดนี่มันมีสิบสองตัวโลภะแปดโทสะสองโมหะสองปัญญาขั้นพระอภิธรรมคือขั้นปฏิบัติวิปัสสนานี่สามารถจะตัดกิเลสสิบสองตัวนี้ขาดละกิเลสได้โดยเด็ดขาดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอภิธรรมคือปัญญา เพื่อปราบปนุสายกิเลสขุดรากออกคําสอนของนักเจ้ามากมายเมื่อสรุปแลว้วก็เหลือเท่านี้เหลือศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกันกับการปราบกิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแต่เมื่อจะย่อให้สั้นที่สุดเหลือข้อเดียวคืออัปปมามะอั ป, ปมาทะแปลว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือมีสติคนมีสติก็คือคนเจริญสติปัฏฐานสีหรือเจริญวิปัสนานี่ย่อคําสอนแล้ว ทีนี้ต่อไปว่าถึงแก่นแท้ของระศาสนาในจุนาราโปรปมาสูตรมหาสารปรปมาสูตรพระพุทธเจ้าภาณาถึงแก่นแท้ของระศาสนาของผมจันไว้ที่เป็นแก่นแท้ของศาสนาที่เรียกว่าวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาคนจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นวิปัสนาอันนี้เป็นแก่นแท้ของศาสนาพระพุทธเจ้า คงแสดงธรรมะก็เพื่อตะล่ำห้อม ห, หอสรรพสัตว์ให้เข้าไปสู่แก่นแท้นี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ต่อมาเมื่อไม่ถึงแก่นท่านเรียกว่ามีกระพรี่กระพรีของศาัสนาก็คือปัญญาไม่ใช่ปัญญาตัดกิเลสได้ขาดปัญญาขั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นญานณทัตตนะในเกิดแสงสว่างเกิดอะไรขึ้นมานั่งไปดูนรกสวไปเห็นอะไรอันโอภาธ เกิดขึ้นมันเป็นแสงสว่างเป็นจินตามยักปัญญาถึงภาวนาก็ยังไม่กิเลสยังไม่ขาดอันนี้เป็นกระพี้ของพรหมจรรย์ของศาสนารองลงไปก็เปลือกได้เจตสมาธิสมาธิที่ได้ชานก็ตามก็อยู่ในกีดนี้ท้าเรียกว่าเปลือกของพรหมจรรย์ยังไม่ใช่แก่นแท้เพราะมันเสื่อมได้รองเราไปอีกก็สะเก็ด ของพรหมจันทร์ได้เก่ศีลเราลงไปยีกิ่งและใบของพรหมจันทร์ได้เจ่ลาบสักการะความสรรเสริญจุดมุ่งหมายของผู้ที่เข้าสู่ศาสนาต้องการให้ถึงวิมุตคือแก่นแท้ของศาสนาส่วนเปลือกส่วนกระพี้ส่วนสเก็ตและใบนั้นเป็นผลพล่อยได้เมื่อยังไม่ถึงก็ต้องเอากิ่งและใบเอากระสเก็ตเอาเปลือกเอากระพี้ไปก่อนตามลำดับแต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือแก่นแท้ได้แก่วิมุต หรือมัคสีอ่าอันนี้เป็นปะกินนักการแต่วันนี้จะเทศเรื่องพระไตรรัตน์อานิจจาวัตงสังขารางังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออู ป, ปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภูปจิตตวานิรุชันติเกิดแล้วก็ดับไปเสื่อมไปเตสังบูปสมูสุขโขหากว่าสังขารคือรูปนามหน่านั้นดับไปรวอมทั้งกิเลสก็ขาดไป เป็นสุขในใจความยอ่อคาถานี้เป็นคาถาที่แสดงความสังเวชสรุปใจเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเทวดาสแสดงก็มีแม้พระพุทธเจ้าเทศไว้ก็มีเทศไปทางเป็นเสวยพะชาติเป็นพระโพธิสัตว์น้องก็มีมีอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วพระสงฆ์ก็นิยมเอามาสวดบังสุคุล ทุกงานบางสกุลมัติกาจะต้องชักผ้าบางสกุลด้วยบทนี้ที่จริงก็คือปรงพระกรรมฐานนั่นเองเราสังเกตดูงานศพทำไมโยมจึงต้องให้พระวะ่าและโยมไม่เหว่าพระก็ต้องว่าอย่างขณะนี้วัดมหาธาตุสมภารมหาธาตุมรณภาพลงตั้งแต่วันที่สิบห้าเดือนกันยายนท่านมรณภาพมากตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันนี้ พระต้องบางสุกุลมัตติกาต้องว่าอานิจจาวสังขาทุกวันใช้บทนี้ทั้งนั้นทําไมท่านจึงต้องว่าเพราะปงพระกรรมฐานโบราณท่านถือว่าชั่วช้างกระริกหูชงงและปลิ้นช่วไกป่ปกปีกว่าก็ยังเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญดีแล้วเราถวายทานก็ถือว่าได้บุญนั่นแหละให้พระนั่งกรรมฐานปงกรรมฐานก่อนชักพระบางสุกุลอนิจจาวตสังขาที่แท้คือรกรรมฐาน แต่ไม่ได้มากก็เอาชั่วช้างกระดิกหูโจรงและปลิ้นแล้วถวายก็จะว่าได้บุญเพราะในบาลีมีอยู่ว่าถ้าต้องการอยากให้ผู้ที่ตายไปได้บุญได้กุศลจงนั่งกรรมฐานก็เข้าทํานองอย่างนี้นะที่วางสุคุลก็เพื่อจะให้ใจบริสุทธิ์ก่อนอาจโยมถวายก็จะได้บุญก็จะได้ถึงผู้ตายไปเร็วๆหรือได้ไวได้รับผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตนาก็อย่างนี้นั้นได้ทั้งสองอย่างพระผู้ที่ว่าท่านก็ได้บุญด้วย ในปัจจัยด้วยะโยมก็จุบวัให้กําลังแก่พระด้วยและจุบวาได้อุทิศส่วนบุญโดยผู้ชาวผู้ติดตายไปด้วยก็เป็นประโยชน์โดยทางสองฝ่ายนี้คือความศักดิ์สิทธิ์หรือความครั้งหรือความมีประโยชน์เนื่องจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธิเจ้าถ้าเราแปลตามตัวแล้วก็ว่าสังขารทั้งหลายสังขารในที่นี้ก็คือรูปกับานามได้แก่กายกับใจ ร่างกายของบุคคลทุกคนนี่คือตัวสังขารก็คือขันธ์ห้านั่นเองอานิจจาไม่เที่ยงอนิจจาวัตะไม่เที่ยงหนอรูปนามสังขารของเราทุกคนนี่ไม่เที่ยงมันเป็นยังไงอุปาทวยธรรมีโนมันมีวความเกิดขึ้นแล้วก็มีความดับไปตายไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุตจันติเกิดแล้วกเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปอย่างนี้ดับไปอย่างนี้ เตสังบูปสมโอสุสขโขถาหาว่าสังขารคือรูปกับนาเนี่ยมันส ง, งบคือไม่ต้องเกิดอีกความหมายก็คือถึงนิพพานมันก็สุขเใจความย่อๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ปรองกรรมาฐานว่าถึงอนิจจังทุกขั ง, งตานั้นเองดังนั้นวันนี้ก็จะได้เทศเรื่องพระไตรรักคําว่าพระไตรรักพระแปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายให้รู้ให้เห็น ว่าขันห้าคือรูป ก, กำนามนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้ชูวัตไตรรักษ์ด้วนพระนั้นแปลว่าประเสริฐก็หมายความว่าใครใครเห็นแล้วเป็นผู้ประเสริฐพระอริยเจ้าท่านก็ต้องเห็นพระไตรรักษ์นี้พระไตรรักษ์นี่ว่าถึงเอาพระมาขึ้นหน้าอนิจจังทําไมเอาพระขึ้นหน้าก็เพราะพระนี่เป็นคําเอแทนธรรมะที่มี เป็นคําสอนของริเจียวหรือว่าพระไตรรัตน์ก็คืออนิจจังทุกขังต่าคําว่าพระก็แปลว่าประเสริฐไตรแปลว่าสามลักษณะเครื่องหมายสามอย่างถ้าใครเห็นลรรมประเสริฐประเสริฐจนเป็นพระอริยะได้ความมุ่งหมายส่วนสูงก็ว่าอย่างนี้ส่วนประเด็นอื่นก็ยกไปก่อนเอาเฉพาะในแง่ปฏิบัติที่นี้การเห็นพระไตรรัตน์นี่ยเราจะเห็นได้อย่างไร<ส>เห็นแล้วดีอย่างไรมีใครเป็นตัวอย่าง เมื่อเราทราบแล้วไตรรักษ์ไปว่าเครื่องหมายสามประการแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของขันห้าคือรูป ก, กับนางการเห็นผัสไตรักนั้นอะไรเป็นผัสไตรักขันห้าขันห้าคืออะคือตัวของคนทุกคนกายกับใจนี้แหละเป็นผัสไตรักอ่ะเป็นอนิจจังทุกขังนัตตา มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นอันที่จริงมีอยู่แล้วอันนิดจังก็มีทุกครั้งก็มีนา ต, ตาก็มีท่านกล่าวไว้ในธรรมนิยา ม, มาสูตรว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดก็าตามไม่เกิดก็าตามความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของรูปเรนามเขามีอยู่ของเขามีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดอั น, นิดจังทุกครั้งตา ม, มีอยู่ในโลกแต่ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นแล้วก็มีอยู่ในตัวคนทุกคนด้วยเถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วทําไมเราจึงไม่เป็นผู้ประเสริฐ ตามพระไตรลักษณ์นี้แล้วอันนี้เราไม่ได้เห็นเนี่ยมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นหรือเราไม่เอามาใช้ให้เห็นเอ้ามันก็เหมือนกันกันกบสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีนี้เป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยเยเนยวะยันตินิพพานังพุทธาเตสญจะสาวกาพระพุทธเจ้าและเราพระสาวกได้เดินทางไปสู่นิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นคือสติปัฏฐานสี ปติปทานสี่ก็กายเวทนาจิตธรรมะกายก็ตัวของคนทุกคนเวทนาก็คือความสามบายไม่สบายเฉยๆจิตก็คือใจธรรมะก็คือขนันธ์ห้ามันก็มีอยู่ที่ตัวเราเราเอตมีแล้วทำไมเราไม่เป็นปะโซดาสิกขานาคาอ๋อเพราะเราไม่เอามาใช้หนทางมันมีอยู่มันเป็นหนทางแต่เราไม่เอาเไม่เอามาปฏิบัติเราก็ไม่เห็นของดีมีอยู่เราก็ไม่เห็น เหมือนทองคํามันมีอยู่ในดินแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก็หาไม่ได้น้ามันมีอยู่ใต้ดินเราไม่มีปัญญาขุดมันก็ไม่ได้ของมันมีอยู่อันนี้ก็เหมือนกันของจริงก็อยู่นี้ยมัตสิงเอกอัตถาเวพยามมันเตกเรวเรในร่างกายของเราอัญยาวาณาคืบนี้อริยสัจสีอยู่ตรงนี้ทุกสมุทัยในรถมักก็ยู่ตรงนี้หาเอาตรงนี้แต่เราทําไมไม่เห็น ที่ไม่เห็นก็เพราะขาดปัญญาอย่างหนึง่งเพราะเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนึงก็คือไม่ได้มีปัญญาเหตุไม่มีก็เพราะไม่ได้เจริญวิปัสนาที่จะเห็นปัตไตรักต่างที่เราะหไม่้ต้องเห็นด้วยปัญญาเอยอย่างนั้นเราก็มีปัญญาอยู่มีใช่หรือที่เรียนจบนักทมตีนักทำโทนักรรทำเอกประเรียนสามสี่ห้าหเ็ดแปดเก้า โลกก็จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศัสตราจารย์ต่างๆก็มีปัญญาอยู่แล้วมีใช่เหรออ๋อไม่ได้หมายเอาปัญญาขั้นนี้เรียนจบประโยคไหนก็ตามได้ปริญญาไหนก็ตามไม่ใช่ปัญญาขั้นนี้เพราะปัญญามีสามขั้นหนึ่งสุตธรรมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังเกิดจากการศึกษาเราเรียนเห็นในทางธรรมพระเนรเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสอบได้นี่เขก็เรียกว่ามีปัญญา แต่ไม่เป็นสุดตรมยปัญญากับกินตามยปัญญาก<ฮ><ฮ>ินตามยปัญญาคือคิดเป็นพระเนนจะแต่งกระทู้จะคิดจะเอาบทไหนมาเชื่อมมาเข้ากันอันนี้ก็ใช้กินตามยปัญญาด้วยใช้สุดตรมยปัญญาที่ฟังมาจากครูบาอาจารย์ด้วยที่ดูเองด้วยท่องได้จาได้ด้วยมาผาสมกันเขาอยู่ในทางโลกผู้ที่ใดด็ดอกเตอร์ปริญญาตรีปริญญาโทยาเอกก็ต้องเรียนเรียนแล้วก็ต้องจําจําแล้วก็ต้องคิดแต่งวิทยานพิพนธ์ จึงจะได้ปัญญาตีปริญญาโถปัญญาเอกในปัญญาสองขั้นนี้เขาเรียกสุตตะมยปัญญาปัญญาสําเร็จมาจากการฟังจินตามมยปัญญาปัญญาสําเร็จมาจากการคิดแม้คิดทํารถยนต์ทํารถไปทําเครื่องบินทําจรวดทำอาวุธนิวเคลียร์ทำอาพนโลกไปโลกปรจันทํารถไปใต้ดินเหล่านี้เป็นจินตามมยปัญญาทั้งนั้นปัญญาสองขั้นนี้เป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินหาทองไม่ใช่ปัญญาละกิเลส ไม่ใช่ทำปัญญาที่มาดูอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่ใช่ปัญญาที่จะเอามักเอาผลเอานิพพานปัญญาสองขันนี้ท่านกล่าวว่าเหมือนดาบสองคมคือถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกันดูสิอย่างเครื่องบินเนี่ยอ่ะบินข้ามทวีปไปโน้นไปนี่ได้เพราะปัญญาของมนุษย์แต่ถ้าเอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเป็นไงว้างถาล่มลงไปลูกเดียวตายตั้งหกหมืนนะอย่างนี้แหละยิ่งานยิาาย่งรกรบกันขาะฟัลันแทงกันเพราะอะไร พอใช้กินตามมัจะปัญญาทําเครื่องบินทำเปิลนี่ถ้าใช้ผิดมันก็ฆ่ากันแต่ใช้ถูกมันก็ให้คุณจึงเปรียบเหมือนดาบสองคมอันนี้ไม่ใช่ปัญญาทำลายกิเลสเป็นปัญญาหาเงินหาทองหาข้าวหาของปัญญาเรื่องตัวปัญญาเลี้ยงตัวปัญญาพัฒนาปัจเจ sĩ มีได้ทั้งคนในโทษมีคุณนนานมีโทษมหันปัญญาคณียกไว้ส่วนปัญญาที่จะเห็นปัตไตรักเป็นปัญญาขั้นที่สาม เรียกว่าภาวนามยปัญญามันคนละขัน้นปัญญาสองขั้นนั่นเห็นไม่ได้จะเรียนไปจนตายก็เห็นไม่ได้ก็ดูพระตุจโภทีระนั่นในทางพระเรียนจบพระดวิดดกในศาสน า, าพระพุทธเจ้าเกียรพระองค์ท่านก็ยังไม่เห็นผลใจรักพระพุทธเจ้าจึงได้ ก, กล่าวกับท่านว่าท่านคำพีเปลา่าท่านใบลานเปล่ า, ลาท่านใบลานเปล่ า, ล, าลุกไปแล้วท่าน่าแล้วเปล่ า, น, ลานั่งแล้วะจนกระทั่งท่านเกิดสังเวชสลดใจ มาเจริญวิปัสนามาเห็นผัสตรัรักท่านจึงได้มรรคได้ผลได้นิพพานนั่นเป็นปัญญาคนละขั้นดังนั้นจะเทศวันนี้เทศเรื่องปัญญาขั้นภาวนาไม่ใช่ขั้นสุตาจินตาอย่างที่กล่าวมานั้นจะหนักไปในขั้นภาคปฏิบัติทีนี้การเห็นผัสตรัรักนี้ผู้ที่จะเห็นจะต้องทําอย่างไรนั่งฟังเทศนี่เห็นได้ไหมถ้ามีปัญญาก็เห็นได้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นอปัญญาขั้นไหน จำพระทันเทศได้นี่เป็นไหมไม่ใช่ปัญญาที่จะเห็นต้องกําหนดตามไปชินพระทันเทศกําหนดเสียงพระเทศได้แต่ยินเสียงกําหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะยินเนาไปสามารถจะเห็นได้ถ้าพระทันเทศนานก็กําหนดไปนานเข้าวิธีนี้เห็นได้ถ้าฟังเฉยๆเห็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ทางที่จะเห็นทางที่จะเห็นมีอยู่ทางเดียวคือเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเราฟังไม่ได้เจริญวิปัสสนาเราฟังเอาความรู้ ถ้าแค่ฟังเอาเฉยๆเห็นผัสตรายรักได้พระตุจโภทิละท่องพระไวบปดกจบหมดในศาสนาพระพุทธเจ้าถึงเกตพระองค์ท่านก็คงเห็นมานานแล้วดังนั้นผู้ที่จะเห็นผัไตรายรักนี่จะต้องเจริญวิปัสนาเมื่อเจริญวิปัสนาแล้วเราจะเห็นผัสตรายรักได้การเห็นผัสตรายรักนั้นโดยส่วนใหญ่เห็นถึงสามขั้นเห็นถึงสี่ขั้นการเห็นผัสตรายรักขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ต้องสี่ขั้นจึงจะสมบูรณ์แบบชื่ววัยเห็นพัสไตรักแท้นี่การเห็นพัสไตรักขั้นต้นต้ น, ตนอันนี้เห็นด้วยการท่องด้วยการจำำาําตําราไม่ใช่เห็นจริงๆงเห็นเพราะเราท่องได้เพราะเราจําได้เอาตัวอย่างผู้ที่รรทํรรวาวัดผู้ที่ทําวัดเช้าพากันสวดเราลองสังเกตดูสิผู้ที่สวดธรรมัดเช้ามันมีคําอยู่ มีคําว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนมากที่สุดอ่ะสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันห้าแปล ว, ว่ารูปังอนิจจเวทนานิจจาสัญญาณิจาจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนะที่เราทําวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตําราไม่ใช่เราเห็นจริงๆ บางทีปากว่าใจก็คิดไปต่างอื่นก็ว่าได้บางทีง่วงนอนมันยังว่าได้เพราะคร่องปากโพรปังนิจจังเถ้านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขัญไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันไปเห็นด้วยการท่องจําตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จําได้ไปดีไหมนะดีดีแค่ไหน คะแนนเต็มร้อยได้สามคะแนนเป็นโบนเป็นกุศลตายด้วยกิจตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้ผู้ที่ทำวัดเชา้าพากันสวดทำวัดเช้านั่นแหละเราลองสังเกตดูสิผู้ที่ทวดสวดทำวัดเช้ามันมีคำอยูอม่มีคำว่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาว่า คำสอนของพระริเจ้าที่สอนมากที่สุดอ่ะสอนสาวกมากที่สุดคืออะไรก็คือขันหา้าเรียกว่ารูปังอนิจังเวทนานิจจาสัญญาณิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจัง น, นั่นแหะที่เราทําวัดเช้ากันนั่นแหละอันนั้นเราท่องตําราไม่ใช่เราเห็นจริงๆบางทีปากว่าใจก็คิดไปตางอื่นก็ว่าไงบางทีง่วงนอนมันยังว่าไงเพราะคร่องปากะ เรปังนิตจังเท่านึกไปในใจก็รูปไม่เที่ยงวิทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขัญไม่เที่ยงวิญญาไม่เที่ยงเรานึกตามไปก็ได้อันนี้ก็ชื่อว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยการท่องจำตำรามาแต่บางทีก็ไม่ได้พิจารณาว่าไปตามเพื่อนไปว่าไปตามหนังสือไปว่าตามที่จำได้ไปดีไหมนะดีดีแค่ไหนคะแนนเต็มร้อยได้สามคะแนนเป็นโบนเป็นกุศล ตายด้วยจิตตรงนี้ก็ไปสวรรค์ไปมนุษย์ได้แต่ไปสวรรค์ก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ไปมนุษย์ก็สามารถจะตกนรกได้เหมือนกันพราะฉะนั้นจึงยังไม่เห็นเพื่อละอิเลตปัญหาแท้เห็นพอเป็นมหากุศลวลอยู่ในโลกมนุษย์ดีโยดีกว่าไม่เห็นหลายเท่าอันนี้อย่างหนึ่งเห็นอย่างนี้เห็นด้วยกำนาสุดต่ำเมฆปัญญาแม้ไม่ใช่จินตาด้วยยังต่ำอยู่ ถ้าถือจริงๆแล้วในวิสุทธิมรรคยังไม่ใช่ปัญญากันเห็นอย่างเนี้ยเป็นแค่สัญญาคือจำเท่านั้นทั้งเรียกว่าสัญญาคือจำไว้ได้ยังไม่ใช่ตัวปัญญาแต่โลกก่อนโรมาเป็นปัญญาแต่ในวิสุทธิมรรคท่านว่าไม่ใช่เป็นแค่สัญญาเท่านั้นอุปมาเหมือนเด็กน้อยเห็นเงินไม่รู้ว่ามันเป็นเงินรู้ได้แต่ว่ามันสีเขียวสีเหลืองสีแดงเท่านั้นเขาไปใช้อะไรก็ไม่ทราบจะจำได้ก็เห็นแค่นี้ แต่เราสมมุต er ิมาเห็นกันอะไรกันนะนี่เป็นปฏยรักขั้นที่หนึงเห็นด้วยการท่องตำราด้วยกันจำตำราจะเป็นสัญญาเป็นอะไรก็เอาไว้เถอะที่นี่เห็นปัยรักขั้นที่สองเห็นด้วยจินตามยปัญญาเมื่อกี้นี่เห็นด้วยการจำด้วยกันได้กินด้วยกันจำกันท่องแต่ตอนนี้เห็นด้วยจินตามยปัญญาการเห็นปฏยรักด้วยจินตามยปัญญานี่มีการคิดการพิจารณาประกอบไปด้วยอะ พิจารณาอย่างไ น, นเอายกตัวอย่างบางคนนั่งภาวนาเจาเจาผมผมนี่มันเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดตกลงเข้าไปในทามข้าวแล้วก็ใส่ใจเยนนนะมันเป็นของไม่ดีไม่สวยไม่งามเราปรงอย่างนี้ก็เป็นการพิจารณาด้วยกินตาด้วยกินตาญาณคือด้วยปัญญาขัน้นคิด บางทีเรานั่งหลับตาโบรัมโบราณสอนให้ถอดผมถอดขนถอดเล็บถอดฟันออกมาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็ดูว่ามันเป็นของปฏิโกณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาว่าไปแต่ที่จริงผมอยู่บนหัวแต่สมมติถอดออกมาเนี่ยโบราณให้พิจารณาอย่างนี้ก็ถูกอันนี้เรียกว่าจินตามะยะปัญญานึกเอามาเองไปเห็นศพเขาอยู่ในป่าช้าก็ดีไปเผาศพตามสถานที่ต่างๆเมื่อท่าน ไปเห็นผอศพเราก็ับปงอนิจจังพุกครั้งนาตาอนิจจังอัจจิจาวัตถสังขารารูปนามสังขัญไม่เที่ยงบางทีก็สวดด้วยโอโอ้อนิจจัสังขาราบทเที่ยงตรงหนุ่มแก ย, ย่องจับปงคีวิมุ่ยอย่าสงา่าอุบัติเกิดแล้วก็กลับปิญญดาบจากเสรีราขาดสิน้นแห่งปนาวิการกายก็เป็นไปบทเที่ยงบทพันธันมายุนานสักเพียงใดยอมเสื่อมยอมสิ้นไปทุกนาในก่อนชน อย่นางนี้ก็มีปรอง้วยการคิดด้วยการนึก้วยการวาดภาพไปถูกอยู่ไม่พิษแล้วบางทีก็ว่าโอ้โอ้อันิจจาสังาราบทเที่ยงตรงโอ้ไกลนี่ไม่นานเนอบางเกิดก่อแล้วกลับไกลดุดเจ้าพองแห่งน้ำน้ายและแตัดตัดโดยฉับพลันท อ, อดทิง้งดุดเจ ด, ดุพนพื้นเกลี้ยงเนือพื้นสุท้าเที่ยวพองช้ําเหนาดําเขียวสมกินพุ่งโบเวนวางโนเธอท่านทั้งหลายมุรุณายค น, นานางคนปรุงปรญยทางปรมัตจอัต์ธรรม พยานปรากฏแก่จากสุดท้อยแทบหมดปิดฟังคนคิดวินิจฉ์หีบสุดนั่นอะไรเห็นเนี่ยเอาหีบสุดมาปองประกรรมฐานในคิดในพิจารณาบอกเป็นเป็นอนิจจังถูกขังตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาสังขารรูปนามโดยเอาให้เห็นเป็นอนิจจังถูกขังตาแต่คิดเอาเอาเรียกกินตาไมยปัญญาก็ชือว่าเห็นปไต่รักโดยกินตาไม่จปัญญาคือคิดเอาหรือบางทีก็พิจารณา ถึงว่าโอ้ขันทั้งห้าตัวขขาเหล่านี้มันไม่มีอะไรเที่ยงเนอะเขาเรียกว่ากระลาบพิ่เจรน า, นาหมดทั้งตัวว่ามันเป็นอนิจจังทูกขังนันตาอย่างนี้ก็ใช่เป็นกินตามยปัญญาหรือบางทีนึกถึงตั้งแต่เป็นเด็กมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้โอ้แต่ก่อนเราเป็นเด็กฝนตกไปวิ่งขี่ลางโวล้ลังควายอยู่ที่โน่นนะ หรือเป็นเด็กไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวนี้เรามาเข้าโรงเรียนตรงนั้นนี่แหละมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนเมยคนโอนี่เป็นปู่เป็นตาเป็นย่าเป็นยายเขาแล้วน้อนี่คือความไม่เที่ยงไม่เท่าไรก็จะตายแล้วอย่างนี้ก็ใช่เป็นการพิจารณาเป็นการปรงเห็นปัจจัยรักแต่ว่าเห็นด้วยจินตามะยะปัญญาคือคิดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตออย่างนี้ก็ใช่เป็นจินตามะยะปัญญาหรือนึกถึง สัน ต, ติคือความสืบต่อโอ้เมื่อวานนี่มันร้อนแต่ว่าคืนนี่ฝนตกสบายไงรูปที่ร้อนมันก็หายไปรูปที่เย็นสบายเกิดขึ้นรูปนั้นมันก็ตายไปแล้วก็อนิจจังทุกขังนัตตาหรือนึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ามันก็ดับหายใจออกมันก็ดับทั้งเกิดทั้งดับเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาจนชั้นที่สุดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมัน ม, มีแต่อนิจจังทุกขังนัตตา มองเห็นใบไม้ปลิวก็อนิจจังถูกขลังตาเดินควายแขนมือกระด็กนิดหนึ่งก็อนิจจังถูกขลังต า, าเห็นพิจารณาอย่างนี้ก็ใช่นี่เป็นจินตายาณเห็นพอใจรักเหมือนกันแต่เห็นด้วยอํานาจจินตามะยะปัญญาสําเร็จเพราะการ น, นึกกันคิดถูกอยู่แต่ว่าถูกสิบห้าเปอร์เซ็นตคะแนนเต็มร้อยในสิบห้าดีโยนะแต่ว่าดีแค่นี้แหละแ ต, ตายด้วยจิต น, น, นี้ก็มามนุษไปสวรรค์กิเลสไม่ขาด ยังอยู่เท่าไรก็เท่าเดิมแต่ใจนะ่ะลดคมดือ้อหรือลดคมเธอเยอเทียนลงไปหน่อยหนึงแต่ก็ไม่ลดชนะคณะที่พิจารณาเท่า น, นั้นคณะอื่นก็คงเดิมอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นผัสไตรลักษณ์เหมือนกันหรือถ้าเราจะพิจารณาเป็นเรากําหนดพองน้องเห็นเป็นสองระยะสามระยะนี่ก็คือเห็นอนิจจังทุก ข, ขังตาเห็นอย่างนี้อยู่ในเขตสมมติฐายังไม่ใช่ตัวปัญญาที่ต้องการเห็นผัสไตรลักษณ์ที่แท้เก่ง อ็ยังดีโยเป็นบุญเป็นกุศลที่นี้เห็นขั้นที่สามที่เนี้ยนี่มันได้สองขั้นแล้วนะการเห็นขั้นที่สามนี่เห็นด้วยภาวนามะยะปัญญาไม่ใช่ปัญญาทั้งสองขั้นปัญญาทั้งสองขั้นเห็นแค่ น, นี้แหละแค่ขี้กาวมนี้แหละยังเป็นการ น, นึกการคิดเอาเองอยู่เปรียบเทียบเอาเองเขาชั้นใดเราชั้นนั้นเราชั้นไหดเขาชั้นนั้นยัง ไ, ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ถึงห้าสิบได้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นที่นี้เห็นขั้นที่สามนี่ ผู้นั้นจเจริญวิปัสนาเมื่อจเจริญวิปัสนาจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาสิบหกขั้นเห็นขั้นที่สามนอยู่ในปัญญาขั้นที่สี่ขั้นที่หนึ่งเมื่อผู้นั้นจเจริญวิปัสนาเดินตรงกลมขวาอย่างหนอใส่หนอนั่งกําหนด้องพอ ง, พองหนอยุบหนอเมื่อกําหนด้องพองย้อนยุบหนอนู่เดินโยกรมไปนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมาขั้นที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทญาณ น, นา ม, มะแปลว่าใจรูปะแปลว่ากายปริชีทะแปลว่าแยก ยานเป็นปัญญาปัญญาที่แยกกายแยกใจออกจากกันได้คือเห็นศัก์แต่ว่ารูปกับนามเท่านั้นนั่งไปเท่าไรก็มีเท่านี้ร่างกายของเราทั้งหมดท้องพองท้องยุบมันก็มีแต่รูปกับนามตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีมิแต่รูปกับนามแล้วตัวของคนอื่นก็เหมือนกันในบ้านเรามีคนสิบคนเขาก็มีแต่รูปกับนามในประเทศไทยมีสี่สิบหกล้านก็มีแต่รูปกับนามในประเทศ อินเดียมีแปดร้อยล้านหกร้อยล้านเขาก็มีแต่รูปแกบน้ำประเทศแผน่นผืนแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนแปดร้อยล้านก็มีแต่รูปแต่น้ำที่ฆ่ากันตายก็มีแต่รูปแต่น้ำไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนตัวตนเราเขาแต่เราว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขานั่นโดยสมมติแต่เมื่อว่าโดยประมาจิไม่มีมีแต่รูปกับน้ำนี่เป็นปัญญาขั้นต้นขั้นที่สองจะรู้เหตุและผล เมื่อมีรูปมีนามแล้วรูปกับนามต่างก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็มีตัวอย่างเราก็โนดพองหนอยังไม่ได้ว่าพองเลยท้องมันนูนไปซะก่อนแล้วใจค่อยตามไปทีหลังอย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเกิดก่อนเป็นเหตุใจเกิดทีหลังเป็นผลหรือโยมนั่งอยู่โยมอยากจะไปวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระหรือเป็นวันอาทิตย์ จะไปวัดไปฟังเทศหรือโยมนั่งอยู่ที่นั่นแหละอยากจะลุกขึ้นไปเปิดทีวีอย่างเนี้ใจที่อยากลุกนั่นแหละคือ น, นามเกิดก่อนแล้วเป็นตัวเหตุตัวของโยมก็ลุกขึ้นไปเปิดทีวีหรือไปปิดทีวีหรือไปปิดน้ําเปิดน้ํานั่นแหละเป็นตัวผลใจมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ลกค่อยเดินขึ้นไปตามคนเราทุกคนต้องมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้เพราะมีรูปมีนามมีรูปมีนม้ํามีเหตุมีผลเราอยากนอนนั่นแหละคือนามอยากนอนแล้ว รูปที่เอลงไปนอนนั่นแหละรูปเป็นผลเกิดที่หลังมันเหมือนกับผลกล้วยผลมะพร้าวทาไมเขาเรียกผลเพราะเกิดที่หลังต้นไอธรรมะเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้ารูปเกิดก่อนเขาเรว่ารูปเป็นเหตุใจเกิดที่หลังนามเป็นผลถ้านามเกิดก่อนคือใจเกิดก่อนเขาเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเกิดที่หลังรูปเป็นผลโยมอยากทานข้าวนี่นามมันเกิดก่อนอยากทานเป็นเหตุโยมเอาช้อนตักเข้ามาเข้าปากนี่รูปเป็นผลเกิดที่หลัง อย่างนี้แหละมีรูปมีนามมีเห็นผลนี่เป็นปัญญาขั้นสองทีนี้ขั้นที่สามขั้นนี้ก็เกิดแสงสว่างเกิดปีติเกิดขนลุกเกิดน้ําตาไหลเห็นผู้ผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นนรกสวรรค์ต่างๆในียานที่สามขนลุกก็มีเมื่อถึงยานนี้แหละคิจารณาแล้วกินตายานพิจารณาพิจารณารูปนามมันไม่เที่ยงต ร, รงกรรมฐานมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตาย เกิดมาก็อย่างนี้แหละไม่มีอะไรกีรังอย่างยืนแล้วไปเห็นเขาพอตายพอศกนี่เขาไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังตาเราก็จะเหมือนกันนี่เป็นยานที่สามพิจารณาอย่างนี้อย่างสูงก็แค่นี้ทีนี้ต่อไปขึ้นยานสี่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเห็นไ ป, ไปรักขั้นที่สามเท่าที่กล่าวมนี้เป็นขั้นที่สองหนึ่งสองเท่า น, นั้นนะทีนี้ขั้นที่สาม พอถึงยานที่สี่ผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเมื่อกําหนดไปกําหนดไปยานที่สี่เกิดญานที่สี่เรียกว่าอุทยัปพย า, ยานอุทะยะปแปลว่าเกิดขึ้นไหวยะปแปลว่าดับไปยานแปลว่าปัญญาคือมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามมันเกิดแล้วก็ดับไปได้การเห็นน่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างผู้ที่อา้าตัวอย่างหลวงพ่อวัดปักน้ำํำขอโทษยกตัวอย่างท่านไม่ใช่ยกในทางเสียหาย ไม่ใช่ไปยกตนข่มผู้เอนเวลาท่านปฏิบัติกรรมาฐานท่านนั่งไปท่นเห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระสงค์และต่อมาท่านเห็นธรรมกายอันนี้ท่านเล่าให้ตัตมาฟังเองให้เมื่อท่านกําหนดเห็นเนอะให้นอยเห็นธรรมกายเนี่ยมันขาดขาดหบหลวงพ่อตกใจเลยแล้วท่านออกอุทานมาว่าอ๋อเรานี่เป็นชีข้าคนมาหลายสิบปีแล้ว ไม่เท่าไรก็จะตายแล้วนะตรงที่มันขาดนี่นี่แหละเรียกว่าผัสตรัยรักแล้วเนี่ยท่านกําหนดเห็นเนาะเห็นเนาะมันขาดหุบท่านตกใจนี่คือผัสตรัยรักชัดยานที่สี่เฮ้ถ้าผู้ที่กําหนดเสียงทางหูเนี่ยเช่นกนําหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนอยินเนาะเวลาพระเทศนาน น, านกําหนดกําหนดเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันขาดฮบเขาเรียกสันตติขาดสันตติขาดเมือ่อใดเมื่อนั้ น, น, นจึงว่าเห็นผัตัยรัก บาลีวิสุทธิมักท่านกล่าวว่สันติตตินี่มันบังไม่ให้เราเห็นอ น, นิจจังจะเห็นได้ต้องเพิกสันตติวิธีเพิกก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองกําหนดพองเนาะยกหนาะ น, นี้แหละเพิกขวาย อ, อย่างหนอแใส่เนาะเขาเรียกวิปเพิกสันตติสันตติคือความสืบต่อของอนุใสกิเลสพร้อมทั้งรูปเร น, นามที่มันสืบต่อกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็ทํางานอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละเขาสืบต่อไปอย่างนี้ตลอดเหมือนเมล็ดผลไม้ ชิญยมมีเมล็ดมะม่วงนี่แหละมันสืบต่อกันไว้ในพันุ์ของเขาในเมล็ดนั่นแหละเอาไปปลูกอะไรมันก็งอกขึ้นมาได้เพราะมันสืบต่อกันไว้อยู่ทเลนิดเทเล่นิดอย่างเนี้ยอันนี้ท่าเรียกว่าสันตติต้องอุปมาหยาบหยาก็เหมือนเล็บมือโยมโยมตัดเล็บมือแล้วเพราะเกิดวันมาดูมันยาวออกมาได้ถ้าโยมจะมานั่งดูวู้กลางคืนทั้งวันก็ไม่เห็นผมที่ตัดไปแล้วก็เหมือนกันที่มันยาวออกมาได้นี่ท่าเรียกว่าสันตติเป็นความสืบต่อของรูป ทีนี้มนุษย์เราก็มีสันตติอยู่นี้ทั้งโลกเรนามสืบต่อกันมาแต่ตัวนี้มันบังไม่ให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนาตามันจึงเห็นว่าเป็นตัว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเที่ยงเป็นของสวยเป็นของงามจิตมันจะเกิดเห็นอย่างนี้ก็เพราะอันนี้มันบังทีนี้ที่จะเห็นก็ต้องเพิกเมื่อเพิกเราเห็นนี่วิธีเพิกเพิกก็คือกำหนดรู้โดยได้องศาหนึ่งตั้งใจอาตาปีสติมาสัมปชนะโน คอยจ้องคอยจับอยู่แล้วก็จะเห็นแล้วนั่นคือเพิกวลีธนวัฒสันตติยาวิโกปิตายะเมื่อผู้ปฏิบัติเพิกสันตติเสียได้แล้วอ น, นิจจังทุกขังนัตตาก็จะปรากฏตามความเป็นจริงอุปัฏฐาติยาธาวสตรสติวจะปรากฏตามความเป็นจริงนี่วิธีที่จะเห็นที่เมื่อถึงยานที่สี่นี้กําหนดพองเนยุบหนยกํากหนดพองหนอยู่หนอก็ตามหรือจะกําหนดนั่งเนยุ่งหนยก็ตาม หรือได้ยินเนอะเนาะตามถ้าถึงขั้นนี้เขาจะขาดสันติขาดเมื่อสันติขาดก็อาการตกใจจะมีอาการพงะตกใจตกใจไปนิดหนึ่งบางคนก็ถ้าสมาธิแรงก็เกือบจะหงายหลังอะ่ะบางทีเป็นเด็กนี่กลัวร้องให้อะไรแต่ถึงตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์ขั้นที่สามเห็นรูปเห็นนามเกิดดับชัดห้าสิบเปอร์เซ็นตทีนี้ขนาดใดรูปนามเนี่ยมันไว มันถีเข้าถีเข้าเช่นพองยุบถีเข้าถีเข้าแล้วขาดตรงนั้นแหละเรียกว่าอนิจจังที่มันถีเข้าเขาแปลว่าสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปดับไปเรยไปคนนี้เคยให้ทานรักษาศีลมาจงปรากฏเห็นปฏายรักทางอนิจจังในชัดเพราะอนิจจังนี่แหละเป็นเหตุเมื่อผูนั้นถึงนิพพานนิานจึงได้ชื่อว่าอะนิมิตตานิพพานหรืออะนิมิตตาวิโมกเพราะอนิจจังปรากฏชัดในใจผู้นั้น ถ้าปฏิบัติถึงนิพพานโดยอาการอย่างนี้ผู้นั้นจะว่าเห็นนิพพานเป็นอนิมิตตานิวิโมกทีนี้พระไตรลักษณ์ขั้นที่สองหมายถึงว่าผู้ที่เห็นด้วยอนัตตากําหนดรูปนามมันจะเบาลงเบาลงไม่ทีไม่ไหวสม่ําเสมอเบาเรียบแล้วก็ขาดวับลงไปการเห็นอย่างนี้ผู้นี้แรงด้วยปัญญา จะเป็นหินเป็นอนัตตาเพราะชาติ่อนเคยเจริญวิปัสนามาจึงเห็นอย่างนี้พระนิพพานของผู้นั้นถ้าปฏิบัติต่อไปถึงนิพพานเทลีว่าสุญญตะวิโมกหรือสุญญตนานิพพานก็เพราะอนัตตาเป็นเครื่องบอกเครื่องชี้ก่อนที่จะถึงต้องผ่านอันนี้ก่อนเมื่อผ่านแล้วถึงพระนิพพานก็ได้ชื่อว่าเป็นสุญญตะหรือสุญญตาแปลว่าว่างเปล่าจากกิเลสตันหาที่บางคน เคยเจริญสมรรถามาจะมีอาการแน่นอึดอัดฟืดแล้วก็ขาดพอบองไปเหมือนกันในอย่างนี้ชื่อว่าเห็นพระไตนักชัดทางด้านทุกขังเห็นชัดที่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นอันที่จริงอยู่ด้วยกันนั่นแหละเวลาเรากาหนดพองน้อยๆพองยุบมันจะทีเข้าทีเข้าอาการทีเข้าเป็นอนิจจังอาการที่จะบังคับไม่ได้ไม่ให้ทีนั้นเป็นอนัตตาแล้วมันรู้สึก ทนอยู่ไม่ได้ไม่จริงทีเขานั่นเป็นทุกขังเขาอยู่ด้วยกันบาลีวชาชา่าไว้ชัดชัดผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังนัตาก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นอนัตตาอนิจจังทุกขังก็เห็นแล้วผู้ใดเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาก็เห็นแล้วเพราะมันอยู่ที่เดียวกันเหมือนอย่างนี้ง่ายๆเอาโยมฟังนะนะโยมได้ยินไหมโมได้ยินไหมได้ยินแล้วมัน ก, กระดับไปแล้วเพรา ะ, ะเสียงวันนะนั่นแหละสิ้นไปแล้วคืออนิจจัง เสียงวันนะ่ะทนอยู่ไม่ได้นะั่นคือทุกขังเสียงวันนะ่ะจะบังคับมไม่ให้หายไม่ได้ น, นั่นอนัตตามันอยู่ที่เดียวกันเลยพระเดียวก็ไปด้วยกันแล้วอ่าทุกขังในที่นี้ไม่ใช่เจ็บปวดนะอืมทุกขังไม่ใช่เจ็บปวดแปลว่าทนอยู่ไม่ได้เจ็บปวดนะั้นเป็นทุกขเวทนาทุกมันมีสี่หนึ่งทุกขเวทนาแปลว่าเจ็บปวดอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องสอนสองทุกขลักษณะหมายให้รู้ว่าเป็นทุกขอันนี้ก็ไม่ต้องสอน สทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ําปวดที่ปวดเ ย, ยวเหล่านี้มม่ต้องสอนสี่ทุกอริยสัตน์นี่ทุกเพราะรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เพราะเก็บปวดถ้าเจ็บก็เอาเจ็บมาเป็นอารมณ์เช่นมันเจ็บก็ภาณาเก็บเนอเก็บเนาะปวดก็ปวดเนาะปวดเนาะ อ, อ, อาการที่เจ็บหรือปวดนั่นแหละเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนะคืออนิจจังทุกขังนาตาทุกซ้อนทุ ก, ทกเก็บนั่นเป็นทุกขเวทนา เมื่อเรากระหนดเก็บน้อยเก็บน้อยเก็บน้อยทุกนั้นมันจะสิ้นไปสิ้นไปมากเขาน้อยลงนั่นคืออนิจจังทุกนั้นทนอยู่ตามเดิมไม่ได้นั้นทุกขังจะบังคับไม่ให้เก็บมากเก็บน้อยไม่หายไม่ได้นั้นอนัตตาเขาอยู่ที่นั่นเขาเรียกว่าทุกซ้อนทุกอันนี้เป็นทุกอริยสัจทุกอันนี้จึงจะกิเลตจึงจะขาดได้ต้องเห็นทุกอันนี้เมื่อผู้ใดเห็นทุกขั้นนี้แล้วชื่อว่าเห็นพระไตรักษณห้าสิบเปอร์ซ็นเพราะพระพดไตรเจ้าสรรเสริญไว้ในพระไตรปิฎก วยโยจะวัฏสะสารตั้งชีวีอปสังอุทยับ พ, พยังเอกหังชีวิตตังเสโยปัสตุอุทธยับ พ, พยังผู้ที่เจริญวิปัสนานะผู้ใดเจริญวิปัสนาเห็นรูปเห็นนามเกิดดับอย่างนี้มีชีวิตอยู่ได้วันเดียวตายซะเลยในวันนี้ดีกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอย่างนี้แต่มีอายุยังยืนถึงร้อยปีนี่ราคาแพงเพราะจะเห็นอย่างนี้เห็นได้ยาก ไม่ใช่มานั่งนึกเอาเองก็จะเห็นได้ทาไม่ถูกทางทาอย่างไรก็เห็นไม่ได้เป็นอันขาดจึงชื่อว่าเป็นของที่เห็นได้ยากและก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าผู้พยายามก็สามารถจะรู้ได้เห็นได้ทาไมปฏิบัติถูกทางก็เห็นไม่ได้มันเหมือนสวิตช์ไฟกดเท่าไหร่เท่าไหร่ทำไมถูกมันก็ไม่ติดถ้าโถูกครับเดียวมันก็สามารถจะติดได้อนี้เห็นขั้นที่สามเห็นขั้นนี้ก็อยู่ในญาณที่สี่พอเห็นขั้นที่สี่ขั้นนี้สูงแล้ว ผู้นั้นจเจริญวิปัสนาไม่ติดใจอยู่แค่ยานสี่ยานก็จะผ่านไปถึงยานที่ห้าพังขยานเห็นรูปนามดับไปฝ่ายเดียวต่อไปก็ถึงยานที่หกในพัตไตรักษก็ยังอยู่ชัดขึ้นโดยลําดับเห็นรูปนามเป็นของหน่ากลัวต่อไปถึงยานที่เดเห็นทุกเห็นโทษของรูปรนามต่อไปถึงยานที่แปดเบื่อหน่ายพัตไตรลักษ์ก็ยังมีอยู่ต่อไปถึงยานที่เก้าใจกวนกระ歪อยากออกอย่างนี้อยากหลุดจะพ้นต่อไปถึงยานที่สิบ ปฏิสังขารใจเขึ้นแข็งตั้งใจจกิงปฏิบัติจริงพระไตรลักษ์ก็ยิงชัดเข้าโดยลําดับต่อไปถึงยานที่สิบเอ็ดสังขารุปกขยานใจเฉยดูพระไตรลักษ์จูมันเกิดมันดับให้ดูเลยสบายเพลินเวทนาไม่กวนสติสมาธิดีขึ้นมากต่อไปถึงยานที่สิบสองถึงยานนี้จึงจะสามารถจับได้ชัดว่าพระไตรลักษนณะ์ขาดลงไปตรงไหนเมื่อไหรถ้าถึงตรงนี้เราเห็นพระไตรลักษ์รอยเปอร์เซ็ ตรงนี้ยสําคัญที่สุดอริยสัตว์สีก็จะชัดตรงนี้มากเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่จิเลสยังไม่ขาดแต่จะเห็นชัดถึงอย่างนี้เท่านี้เราจะรู้ได้ว่าถ้าใครไม่เจริญวิปั ส, สนาจะไม่สามารถเห็นได้เป็นอันขาดเลยพัฏไตรลักษณ์เนี่ยในขั้นนี้นะเห็นก็เห็นขั้นตนๆนิน ต, น ต, น ต, นตายานผ่องตหรับตารามันเห็นได้แค่นั้นพอ ถ, ถึงขั้นนี้จริงจะเห็นได้เมื่อใครถึงยานที่สิบสองแล้วรับรองว่าภูนั้นถึง เห็นปติลักษณ์ชัดร้อยเปอร์เซนต์ว่ามันดับไปอย่างไรตรงไหนเมื่อไรต่อจากนั้นเข้าเขตยานที่สิบสามโคตรตรุภูยานเขาจะทิ้งแล้วอริยสัจสีจะชัดแล้วจิตผู้นั้นต้อตงยึดนิพพานเป็นอารมณ์แต่กิเลสยังไม่ขาดต่อไปถึงยานที่สิบีมรรคยานตรงนี้กิเลสจึงจะขาดสติปัฏฐานสีสั ม, มปปทานสีอิทธิบาทินสีภะละพุทธงมรรคแปดก็จะเข้าพร้อมกันตรงนี้ เมื่อถึงครั้งแรกกิเลสก็จะขาดไปห้าตัวโลภะสี่โม ห, หนันต์กิเลสที่ให้สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปนกสวรรค์คือวิขีหิจฉาโมหะขาดตรงนี้ที่ให้เห็นผิดวัณโรคไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีตายแล้วไม่เกิดทำดีไปได้ดีขาดตรงนี้นี่เรียกว่าเห็นผัตรัยลักชัดในยานที่สิบสองนั่นละชัดมากอ่านี่เรียกว่าผัสตรัยลักษวันนี้เทศเรื่องผัสตรัยลักก็ไม่มุ่งเทศอย่างเิน พอหัวข้อตั้งไว้วบทเหตศปฏัยรักก็คือลักษณะทั้งสามเราจะเห็นปฏัรยรักได้ชัดเจนแจ่มแจ้งก็ต้องอาศัยประปิบวิปัสสนากรรมาฐานเท่านั้นเมื่อเห็นแล้วดีอย่างไงอ๋อดีมากเห็นแล้วพบชาติมก็น้อยลงกิเลสตัณหาก็น้อยลงแต่เห็นถึงขั้นที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วถึงยานที่สิบสี่สิบห้าสิบหกราพวกนั้นปิดประตูบ่ายแล้วดีก็เพราะปิดประตูบ่ายไม่ต้องกลับมาเวียนว่าวตายเกิด ในห่วงหมหนบพบสงสารให้ทนทุกข์ละมานนำมันหมดเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนข้าวหม ด, ก, ด, ดก็ไม่ต้องเดือดร้อนน้ำท่วมก็ไม่ต้องเดือดร้อนที่เราเดือดร้อนอยู่ก็เพราะเราไม่เห็นอันนี้ถ้าเราเห็นอันนี้แล้วก็สบายแล้วอุปติสังวูประสมโมสุขโขพระพุทธโยาวาสุขที่สดถ่าเห็นได้นะอาตามาภาพในขี้แจงแสดงให้พระสัตตมัติเทศนามาสมควรแก่ยกาณเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้